พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุตตังตาปิฎกอังคุตรนิกายติกะนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสามข้อประถมปันนาหรือหมวดห้าสิบที่หนึ่งวักที่หนึ่งชื่อพาลวัคว่าด้วยคนพาลทรงแสดงว่าภัยหรือสิ่งที่น่ากลัวอุปัตถวะหรือสิ่งที่เบียดเบียนหรือเป็นอันตราย อุปสรรคคือสิ่งที่ขัดข้องภัยอุปัถวะอุปสรรคทั้งปวงย่อมเกิดจากคนพาลไม่เกิดจากบัณฑิตทั้งพาลทั้งบัณฑิตมีกรรมคือการกระทาเป็นลักษณะพึงทราบคนพาลด้วยธรรมะสามประการคือทุจริตทางกายทางวาจาทางใจส่วนบัณฑิตพึงทราบโดยนายตรงกันข้าม ลักษณะเครื่องหมายและความประพฤติของคนพาลมีสามอย่างคือคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วส่วนบัณฑิตพึงทราบโดยนายตรงกันข้ามนอกจากนั้นทรงแสดงว่าคนพาลประกอบด้วยธรรมะสามประการหลายประเภทเช่นไม่เห็นโทษล่วงเกินคือที่ตนทำเห็นแล้วไม่ทำคืน เมื่อผู้อื่นแสดงโทษล่วงเกินคือขอโทษไม่รับตั้งปัญหาโดยไม่แยบคายตอบปัญหาโดยไม่แยบคายเมื่อคนอื่นตอบปัญหาโดยแยบคายไม่อนุโมทนาคือไม่รับรองว่าถูกต้องมีการกระทาทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นอกุศลอันเป็นโทษอันมีการเบียดเบียน ส่วนบัณฑิตพึงทราบโดยนายตรงกันข้ามทรงแสดงทุจริตสามว่าเป็นเหตุบริหารตนอย่างขุดรากตัวเองกำจัดตัวเองมีโทษอันผู้รู้ตามว่ากล่าวได้ทำให้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากทรงแสดงมนทินคือความเป็นผู้ทุศีลความริษยา ความตรณีว่าทำให้เหมือนนำตนไปตั้งไว้ในนรกกับการทำตรงกันข้ามทำให้เหมือนนำตนไปตั้งไว้ในสวรรค์วักที่สองชื่อรถการวักว่าด้วยช่างทารสทรงสแสดงถึงการที่ภิกษุประกอบด้วยธรรมะสามอย่างว่า ปฏิบัติไม่ใช่เพื่อประโยชน์ความสุขแก่คนมากคือผู้ชักชวนในการกระทำทางกายทางวาจาทางใจอันไม่สมควรแล้วทรงแสดงฝ่ายดีทางตรงกันข้ามการที่ภิกษุบวชรู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกตลอดชีวิตบุคคลสามประเภทคือผู้ไม่มีความหวังผู้มีความหวังผู้ปราศจากความหวังผู้ไม่มีความหวังคือผู้ตกตำ่ำผู้มีความหวังคือราชบุตรผู้รอการอภิเศกผู้ปราศจากความหวังคือพระราชาผู้ได้รับอภิเศกแล้ว เทียบกับคดีธรรมะผู้ไม่มีความหวังคือผู้ทุศีลผู้มีความหวังคือผู้มีศีลผู้ปราศจากความหวังคือผู้ทาให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันหรือคือผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมราชา อาศัยธรรมะเคารพธรรมะทรงให้การรักษาคุ้มครองการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจว่าอย่างนี้กวนเสพไม่กวนเสพย่อมทรงหมุนธรรมจักรซึ่งสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆปฏิวัติไม่ได้คือทำให้ย้อนกลับไม่ได้ในโลกเปรียบเหมือนพระเจ้าจากกักรพรรดิทางโลกที่อาศัยธรรมะ เคารพธรรมะให้การรักษาคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่มนุษย์และสัตว์ย่อมหมุนล้อรถได้โดยธรรมซึ่งคาศึกจะปฏิวัติหรือหมุนกลับไม่ได้ด้วยมือทรงเล่าเรื่องช่างทรรถที่ทำล้อรถข้างหนึ่งกินเวลาหกเดือนแต่ทำล้อรถอีกข้างหนึ่งเสร็จภายในหกวันพระราชาตรัสถามก็ทดลอง ให้ดูล้อรถข้างที่ทำนานหมุนไปได้เมื่อหยุดหมุนก็ไม่ลม้มแต่ข้างที่ทำเสร็จไวเมื่อหยุดหมุนก็ลม้มเพราะมีความคตทรงสอนให้รับความคตทางกายวาจาใจเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องนั้นทรงแสดงข้อปฏิบัติไม่ผิดสามประการคือสํารวมอินทรีย์ ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแก่การนอนมากนักทรงแสดงทุจริตทางกายวาจาใจว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายส่วนสุจริตทางกายวาจาใจตรงกันข้าม ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเบื่อหน่ายด้วยอายุวั น, นะคือผิวพันธุ์สุกยศและความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์แต่ก็พึงเบื่อหน่ายทุจริตทางกายวาจาใจก่อนพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์สามคือไม่ตรตราการงานด้วยดีในเวลาเช้าเที่ยงเย็น ก็ไม่ควรจะได้รับโภกทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือทำโภกทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้เจริญขึ้นทรงแสดงว่าภิกษุผู้ไม่ตรวจสมาธินิมิตคือเครื่องหมายในสมาธิไม่ตรวจสมาธินิมิต ด, ด้วยดีในเวลาเช้าเที่ยงเย็นก็ไม่ควรได้บรรลุกุศ ล, ลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทากุศ ล, ลธรรมที่บรรลุแล้ว ให้เจริญขึ้นฉันนั้นพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์สามย่อมถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ความไพยบูรในโภกทรัพ์ในเวลาไม่นานคือมีตาดีขยันถึงพร้อมด้วยที่อาศัยหมายถึงรู้จักคนกว้างขวางทรงแสดงว่าภิกษุมีตาดีคือรู้อริยสัจ ส, สีขยัน คือไม่ทอธทุระในกุศลธรรมถึงพร้อมด้วยที่อาศัยคือเข้าไปหาท่านผู้รู้เป็นครั้งคราวเพื่อไต่าถามปัญหาก็จะถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ความภัยบูในกุศลธรรมฉันนั้นวักที่สาชื่อปุคละวักว่าด้วยบุคคล พระสวิทกับพระมหากธดิตะไปหาพระสาวรีบุตรพระสาวรีบุตรจึงถามพระสวิตถว่าบุคคลสามประเภทคือกายสกีหมายถึงผู้บรรลุฌานก่อนแล้วจึงทำนิพพานให้แจ้งได้แก่พระอริยบุคคลหประเภทที่ตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลจนถึงตั้งอยู่ในอรหัตตมรัก ประเภทที่สองทิฏฐิปัตตักคือผู้ถึงที่สุดแห่งทิฏฐิคือรู้แจ้งอริยสัจ ส, สีได้แก่พระอริยะบุคคลหกประเภทเหมือนกายสกขีประเภทที่สาศัทธาวิมุติผู้หลุดพ้นเพราะศรัทธาได้แก่พระอริยะบุคคลหกประเภทเช่นเดียวกันที่ต่างกันก็คือลักษณะเฉพาะก่อนที่จะได้บรรลุมรรคผล ทั้งกายสักขีทิธิปั ต, ตะสัทธาวิมุตต์ในบุคคลสามประเภทนี้พระสวิท t h ชอบว่าใครจะดีกว่าปราณีกว่าพระสวิท t h ตอบว่าชอบศัทธาวิมุตต์ว่าดีกว่าปราณีกว่าเพราะมีอินทรีย์คือศรัทธามีประมาณยิ่งแล้วพระสาวิบุตรจึงย้อนถามพระมหากดทิตตว่า ชอบบุคคลประเภทไหนพระมหากดทิตต์ตอบว่าชอบกายสักขีเพราะมีอินทรีย์คือสมาธิมีประมาณยิ่งพระมหากดทิตต์าถามพระสาวรีบุตรบ้างว่าชอบบุคคลประเภทไหนพระสาวรีบุตรตอบว่าชอบทิทติปัตัดเพราะมีอินทรีย์คือปัญญามีประมาณยิ่ง แล้วทั้งสามท่านจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลให้ทรงทราบตรัสตอบว่าญาที่จะชี้ลงไปโดยส่วนเดียวว่าใครจะดีกว่าประนีดกว่ากันเพราะต่างก็ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลและเป็นพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีด้วยกันหมายเหตุคำอธิบายในวงเล็บว่า บุคคลทั้งสามประเภทได้แก่พระอริยบุคคลหกประเภทคือผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลจนถึงอรหัตตมรคนั้นเป็นคำอธิบายตามอัตถกธาถาบุคลาบัญญัติแต่สังเกตตามพระพุทธภาษิตในตอนท้ายคล้ายกับว่าตั้งแต่สกทาคามีอนาคามีขึ้นไปถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมร ไม่ได้กล่าวถึงพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเลยจึงน่าสังเกตเป็นหลักวิชาประกอบการค้นคว้าต่อไปต่อจากนั้นทรงแสดงถึงคนไข้สามประเภทคือหนึ่งได้อาหารยาคนพยาบาลซึ่งเป็นที่สบายหรือไม่ก็ตามก็ไม่หายจากอาพาธนั้น 2. ได้อาหารยา คนพยาบาลซึ่งเป็นที่สบายหรือไม่ก็ตามก็หายจากอาพาธนั้นสามต่อเมื่อได้อาหารยาคนพยาบาลซึ่งเป็นที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นทรงอาศัยบุคคลประเภทหลังจึงทรงอนุญาตอาหารยาคนพยาบาลสำหรับผู้เป็นไข้และอาศัยคนไข้ประเภทหลังนี้ จึงพยาบาลคนไข้อื่นๆคือหมายถึงสองประเภทแรกด้วยและสทรงแสดงธรรมเปรียบเทียบกับบุคคลสามประเภทในทางธรรมคือหนึ่งได้เห็นพระตถาคตรหรือไม่ก็ตามได้ปังพระธรรมมาวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วหรือไม่ก็ตามก็ไม่ก้าวลงสู่ทำนองอันชอบในกุศ ล, ลธรรมสอง ได้เห็นพระตถาคตรหรือไม่ก็ตามได้ฟังพระธรรมวินยัยที่พระตถาคตประกาศหรือไม่ก็ตามก็ก้าวลงสู่ทำนองอันชอบในกุศลธรรมได้สต่อเมื่อได้เห็นพระตถาคตได้ฟังพระธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้วจึงก้าวลงสู่ทำนองอันชอบในกุศลธรรมได้ เพราะอาศัยบุคคลประเภทหลังนี้จึงทรงอนุญาตการแสดงธรรมและเพราะอาศัยบุคคลประเภทหลังนี้จึงควรแสดงธรรมแก่คนอื่นคือสองประเภทแรกด้วยทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือผู้ปรุงกายสังขารคือเจตนาทางกายปรุงวจีสังขารคือเจตนาทางวาจา แล้วปรุงมโนสังขารคือเจตนาทางใจอันมีการเบียดเบียนย่อมเข้าสู่คือเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนถูกต้องผัสักดอันมีการเบียดเบียนสวยเวทนาอันมีการเบียดเบียนมีทุกโดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกส่วนที่ตรงกันข้ามคือไม่เกี่ยวกับการเบียดเบียนเลยก็ได้รับผลตรงกันข้ามเช่นเทพสุภกินนะหะ พวกที่ปรุงกายสังขารเป็นต้นมีการเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างก็ได้รับผลผสมกันคือทุกบ้างสุขบ้างเช่นมนุษย์บางพวกเทพบางพวกวินิบาตหรือเปรตที่อยู่วิมานบางพวกทรงสแสดงบุคคลสามประเภทที่มีอุปการะมากคือหนึ่ง ผู้ที่เป็นเหตุให้บุคคลถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะสองผู้ที่เป็นเหตุให้บุคคลรู้อริยสัจ ส, สี่ตามความเป็นจริงสผู้ที่เป็นเหตุให้บุคคลทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันไม่มีบุคคลอื่นจะมีอุปการะ ยิ่งกว่าบุคคลทั้งสามประเภทนี้และบุคคลทั้งสามประเภทนี้ไม่ใช่จะตอบแทนคุณได้โดยง่ายด้วยการแสดงความเคารพหรือให้ปัจจัยสี่ทรงแสดงบุคคลสประเภทคือหนึ่งคนมีจิตเปรียบด้วยแผลคือคนขี้โกรธถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็แสดงอาการโกรธเคือง เหมือนแผลถูกไม้หรือกระเบื้องก็มีเลือดหรือหนองไหลสองคนมีจิตเปรียบด้วยสายฟ้าคือรู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงเหมือนคนตาดีเห็นรูปในเวลากลางคืนอันมืดสนิทในระหว่างที่ฟ้าแลบสามคนมีจิตเปรียบด้วยเพชรคือทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันเหมือนเพชร ทำลายหรือตัดแก้วมณีหรือแผ่นหินได้ทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือหนึ่งคนที่ไม่ควรครบได้แก่คนที่เสื่อมจากศีลสมาธิและปัญญาสำหรับข้อนี้มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับบุคคลประเภทนี้ที่ว่าไม่ควรครบนั้นเว้นไว้แต่จะเอ็นดูจะอนุเคราะห์ หรือคบเพื่อช่วยให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมสองคนที่ควรครบได้แก่คนที่เสมอกันโดยศีลสมาธิปัญญาสามคนที่ควรครบอย่างสักการะเคารพได้แก่คนที่ยิ่งกว่าโดยศีลสมาธิปัญญาทรงสแสดงบุคคลสามประเภทคือหนึ่ง คนที่ควรเกลียดไม่ควรครบได้แก่คนทุศีลไม่เป็นสมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะเป็นคนเน่าใน2คนที่ควรวางเฉยไม่ควรครบได้แก่คนขี้โกรธถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็แสดงอาการโกรธเคือง3คนที่ควรครบได้แก่คนที่มีศีลมีกัลยาณธรรม สำหรับส่วนนี้ตรัสเปรียบเทียบคำๆสำหรับบุคคลประเภทหนึ่งและสองคือประเภทที่หนึ่งเปรียบเหมือนงูที่เลื้อยลงไปในอุจจาระแม้ไม่กัดก็เปื้อนประเภทที่สองเหมือนเอาไม้หรือกระเบื้องไปเคี่ยหลุมอุจจาระรังแต่จะเกิดกลิ่นเหม็นยิ่งขึ้นทรงแสดงบุคคลสาประเภทคือหนึ่งคนพูดเหม็น ในวงเล็บพูดเป็นอุจจาระได้แก่ผู้พูดบททั้งทั้งรู้เพื่อตนเพื่อผู้อื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิตสองคนพูดหอมในวงเล็บพูดเป็นดอกไม้ได้แก่ผู้ไม่พูดปททั้งทั้งรู้เพื่อตนเพื่อผู้อื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิตสามคนพูดหวานในวงเล็บพูดเป็นน้ำพึ่ง ได้แก่ผู้ที่เว้นจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำที่รื่นหูเป็นที่พอใจแห่งคนมากทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือหนึ่งคนตาบอดได้แก่ผู้ไม่มีตาที่จะทำโพกษัพั์ให้เกิดที่จะทำโพกษะซั์ที่เกิดแล้วให้เจริญกับไม่มีตาที่จะรู้ธรรมะอันเป็นกุศลหรืออกุศล 2. คนมีตาข้างเดียวได้แก่ผู้มีตาที่จะทำให้ภพทรัพย์ให้เกิดที่จะทำภพขัทรัพย์ที่เกิดแล้วให้เจริญแต่อย่างเดียวแต่ไม่มีตาที่จะรู้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรม 3. คนมีตาทั้งสองข้างได้แก่คนที่มีตาทั้งสองประเภทนั้นคือตาทางโลกและตาทางธรรม ทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือ 1. ผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่าที่กรอกน้ำไม่ลงได้แก่คนที่ไม่สนใจฟังธรรมทั้งในขณะแสดงและขณะที่ตนลุกไปแล้ว 2. คนมีปัญญาเหมือนชายพบที่ใส่ของไว้เวลาลุกขึ้นก็หล่นเรียราดได้แก่คนที่สนใจฟังธรรมะขณะแสดง ลุกขึ้นแล้วไม่สนใจ 3. คนมีปัญญาหนาแน่นเหมือนหม้อน้ำงางเปิดปากรอกน้ำลงไปได้ไม่หกได้แก่คนที่สนใจฟังธรรมลุกไปแล้วก็สนใจคือพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดวักที่สี่ ชื่อเทวทูตวักว่าด้วยทูตของเทวดาทรงแสดงว่าตระกูลที่บูตบูชามานดาบิดาในเรือนของตนชื่อว่าเป็นตระกูลที่มีพรมมีบูรพาจารย์คืออาจารย์คนแรกมีผู้ควรแก่ของคำนับคำทั้งสามคำนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้เลี้ยงดูแสดงโลกนี้แก่บุตรตรัสตอบคำถามของพระอาหนนโดยทรงแสดงว่ามีภิกษุที่ได้สมาธิโดยประการที่จะไม่มีการถือเราถือของเราและถือตัวในร่างกายอันมีวิญญาณครองนี้จะไม่มีการถือเราเป็นต้นในนิมิตหรือเครื่องหมายทั้งปวงภายนอก จะเข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อยู่ตรัสกับพระสารีบุตรว่าทรงแสดงธรรมโดยย่อบ้างโดยพิสดารบ้างทั้งโดยย่อทั้งพิสดารบ้างแต่ผู้รู้ธรรมหาได้ยากเมื่อพระสารีบุตรกราบทูลขอร้องให้ทรงแสดงจึงทรงแสดงให้สำเนียกว่าจะมีคุณธรรมอย่างที่ตรัสตอบพระ อ, อ น, นุ์ข้างบนนี้ แล้วตรัสว่าภิกษุผู้ทําได้อย่างนี้ชื่อว่าตัดตัณหาได้แก้เครื่องผูกมัดได้ทาที่สุดได้เพราะตรั ส, สรู้ธรรมเป็นเหตุละมานะได้โดยชอบทรงสแสดงโลภะโทสะโมหะว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมคือการกระทําซึ่งจะเป็นเหตุให้ได้รับผลในชาติปัจจุบันชาติหน้า หรือชาติต่อๆไปและส่งแสดงอโลพะอโทสักอโมหะว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมคือการกระทําเช่นเดียวกันแต่เป็นไปในทางดีตรัสตอบคำถามของหัตถกะอาละวกกะชาวแคว้นอาลวีว่าทรงบันทมเป็นสุขคนหนึ่งในโลกแม้ราตรีฤดูหนาวจะเย็นหิมะจะตก ดินจะแตกระแหงเครื่องปูร่าจะน้อยใบไม้จะโปร่งผ้ากาสายะจะเย็นลมจะพัดเพราะทรงละราคะโทสะโมหะอันทำให้เกิดความเดือดร้อนทางกายทางจิตได้เด็ดขาดแล้วทรงสแสดงเรื่องเทวทูตสามคือคนแก่คนเจ็บคนตายซึ่งควรเป็นเครื่องเตือนใจคน ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและแสดงการที่ผู้ทำกรรมชั่วจะถูกทรมานในนรกอย่างไรทรงแสดงการที่เทพชั้นดาวดึงไม่พอใจเมื่อทราบว่ามนุษย์ไม่ปฏิบัติต่อมาดาบิดาเป็นต้นไม่รักษาอุโบสถและพอใจเมื่อทราบว่ามนุษย์ปฏิบัติดี ทรงแสดงว่าเท้าสักกะสอนเทพชั้นดาวดึงสรรเสริญการรักษาอุโบสถมีองค์แปดในวันอุโบสถทรงแสดงความที่พระองค์เป็นกรรษัตริย์สุขุมาลชาตแล้วทรงละความเมาในความเป็นหนุ่มสาวความเมาในความไม่มีโรคความเมาในชีวิตจะได้ ทรงแสดงอธิปไตยคือความเป็นใหญ่สามอย่างคืออัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่และธรรมมาธิปปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่และทรงอธิบายถึงคนที่เว้นความชั่วประพฤติความดีเพราะปรารภตนบ้างปรารภโลกบ้างปรารภธรรมะบ้าง วักที่หชื่อจุลวักว่าด้วยเรื่องเล็กน้อยทรงแสดงว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมได้บุญมากเพราะพร้อมหน้าธรรมะสามอย่างคือหนึ่งพร้อมหน้าศรัทธา 2. พร้อมหน้าทายธรรมคือของถวาย 3. พร้อมหน้าผู้ควรแก่ของถวายหรือทักขิเนยะบุคคล คนมีศรัทธาพึงทราบโดยฐานะสามคือ 1. ใกล้เห็นท่านผู้มีศีล 2. ใกล้ฟังพระสัทธรรม 3. ยินดีในการบริจาคทานบุคคลเห็นอำนาจประโยชน์สามอย่างจึงควรแสดงธรรมคือ 1. ผู้แสดงย่อมรู้อัตทะรู้ธรรมะหรือรู้อัตรู้ธรรม 2. ผู้ฟังย่อมรู้อัดรู้ธรรม 3. าทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังสองฝ่ายย่อมรู้อัดรู้ธรรมกรถาหรือถ้อยคำย่อมเป็นไปโดยฐานะสามคือหนึ่งผู้แสดงธรรมสงผู้ฟังธรรมาทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังย่อมรู้อัดรู้ธรรม สิ่งที่บัณฑิตบัญญัติที่สัตว์บุรุษหรือคนดีบัญญัติสามอย่างคือหนึ่งทานการให้ 2. บันพชาการถือบวช 3. มาตาปิดตุปทานะบำรุงเลี้ยงมารดาบิดามนุษย์ย่อมได้บุญมากในที่ที่บันพชิตผู้มีศีลอาศัยอยู่เป็นการได้บุญโดยฐานะสาม ือทางกายทางวาจาทางใจลักษณะของสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือสังคตลักษณะสามอย่างคือความเกิดขึ้นปรากฏความเสื่อมปรากฏความแปรปรวนปรากฏส่วนลักษณะของสิ่งที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งหรืออสังคตลักษณะตรงกันข้าม อันโตชนะหรือคนภายในที่อาศัยหัวหน้าครอบครัวผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยความเจริญสามอย่างคือเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยปัญญาเหมือนไม้สาระใหญ่เจริญด้วยกิ่งใบด้วยเปลือกและสะเก็ดด้วยกระพี้และแก่นควรทำความเพียรโดยฐานะสามคือหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดอากุศลละบาปธรรมที่ยังไม่เกิด 2. เพื่อให้เกิดกุศละธรรมที่ยังไม่เกิด 3. เพื่ออดทนต่อทุกขเวทนากลาภิกษุผู้ทาได้อย่างนี้ชื่อว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเพื่อทำความทุกขให้ถึงที่สุดโดยชอบ มหาโจรประกอบด้วยองค์สาจึงทําการของโจรได้คือหนึ่งอาศัยทางอันไม่สม่ําเสมอ 2. อาศัยป่ารก 3. อาศัยกําลังภิกษุชั่วก็ประกอบด้วยองค์สาคืออาศัยทางอันไม่สม่ําเสมอเทียบด้วยการกระทําทางกายวาจาใจอันไม่เรียบร้อย อาศัยป่าชัดเทียบด้วยมีความเห็นผิดอาศัยกำลังเทียบด้วยอาศัยพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาสนับสนุน